นี่ก็รู้สึกยินดีนะที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาในฐานะที่เป็นญาติธรรมเป็นเพื่อนเป็นมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตการปฏิบัติธรรมเพื่อ เป็นแนวทางที่จะนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่งตามสบายๆนะตื่นหรื อ, อยังตื่นนี่ไม่ใช่ว่าหลับหมายถึงตื่นรู้มันต้องเริ่มต้นจากตื่นรู้เมื่อตื่นรู้แล้วก็จะมีความเบิกบานเพราะดูแล้วทุกคนเนี่ยเขียนว่างดพูดงดพูดนะแต่ไม่ได้ให้งดยิ้ม ยิ้มได้นักปฏิบัติธรรมต้องสดสใสเบิกบานไม่ใช่ทำหน้าเคร่งเครียดกลัวจะไม่เหมือนจรงิง <c oughs> ธรรมะไม่ใช่เรื่องความเคร่งเครียดธรรมะเป็นเรื่องสบายๆเป็นเรื่องความผ่อนคลายเป็นเรื่องการปล่อยวางเพราะบางท่านเข้าใจผิดว่าไปปฏิบัติธรรมโอ้จะต้องใส่ชุดขาวๆเดินย่องย่องพูดค่อย ไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมอันนั้นเหมือนคนเก็บกดการเก็บกดนี่ไม่ใช่ปฏิบัติปฏิบัติคือการปล่อยวางแล้วก็ผ่อนคลายเห็นไหมเวลาเรากรมอะไรไว้เนี่ยมันเครียดแต่ถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมือเราก็สบายสบายเพราะฉะนั้นทําใจสบายๆให้รู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นปัจจุบันความคิดไม่ปรุงแต่งความผ่อนคลายความเมบิกบานของจิตใจ ก็จะเกิดขึ้นเองไม่ต้องแก้งยิ้มแกล้รู้สึกตัวมันก็มีความเบิกบานอยู่ยแล้วอันนี้ก็พูดนํารายการสัก่อนที่บอกว่าผมจะไปไหนจะเรียกว่าทุกคนเนี่ยคือญาติธรรมเป็นญาติทางธรรมเราอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนฉาตินี้นะเมื่อก่อนอาจจะรู้จักอาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนเนี่ยเป็นญาติกันทางนั้นแหละไม่แปลกหน้าอย่าถือว่าเป็นคนแปลกหน้าเป็นญาติกัน ความคุ้นเคยนี่เป็นญาติอย่างยิ่งนั่เราคุยกันแบบอย่าคุยว่าอันนี้คืออาจารย์อันนั้นคือลูกศิษย์ไม่ใช่เท่ากันเท่าเทียมกันก็ต้องขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่เห็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมมาร่วมกันทำความดีทํากุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเคยมีคำถามทุกครั้งที่ ผมไปพูท้ทีไหนเนยะมักจะมีคำถามที่ถามเป็นประจำสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมถามว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติ ด, ด้วยสงสัยหต้องมีนะเนี่ยสงสัยดูหน้าก็รู้ว่าบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมต้องปฏิบัติ ด, ด้วยชีวิตเราเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วพุกมันก็ไม่มีมันสบายสบายอยู่แล้วโอ้ธรรมะไม่จะเป็นก็ได้ต้องมาปฏิบัติธรรม ให้เป็นทุกข์ทาไมสงสัยไหมมีคำตอบหลายอย่างอันนี้ก็น่าถามนะแล้วก็น่าตอบด้วยแต่บางคนถามยิ่งนัานอีกชีวิตเขาเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างเลยครอบครัวก็ดีลูกก็เรียนจบเขาเองก็กกเกษียณอายุแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างและเขาจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมนี่คือคำถามมีพร้อมทุกอย่างเลยนะ แต่ไม่จะอยู่ไปทำไมจเจอคําถามแบบนี้เนี่ยบางทีผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะพอเห็นปั๊บเนี่ยจิตมันขํานึกถึงแมวอะ่ะคือคําถามที่เขาถามมาเนี่ยเขาจะบอกตรงๆว่าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วครบทุกอย่างแล้วเราจะฆ่าตัวตายดีไหมคล้ายๆแบบนั้นไอ้เราก็มันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะ ก็นึกในใจก็ยิ้มอ๋อนึกถึงแมวเลยแมวมันไม่เคยคิดแบบนี้นะแมวแม้ว่ามันจะทำอะไรสำเร็จแล้วจับหนูเรียบร้อยมันพร้อมที่จะนอนเล่นอย่างสบายๆเลยมันไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายหรือทำอะไรไม่ถูกแบบคนเพราะค น, รา ค, า ค, คนเราคิดมากแมวช่างคิดคนเราคิดมากแมวไม่คิดมากแมวมันจับหนูเสร็จก็นอนเล่นกระดิกหางสบายๆ ให้ลูกมันจับหางเล่นแม่มก็ดิ่หางพ่อสบายอะไรมีความสุขไม่ค่อยปรุงแต่งแมวจึงไม่เป็นโรคปัสตาเราจรึงไม่เห็นแมวค่าตัวตายแต่คนเราคิดมากสมบูรณ์แล้วก็ยังมีความคิดมีความสุขแล้วก็ยังมีความคิดบางคนดูแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่น่าจะเป็นทุกข์เลยการงานก็ดีเก่งด้วยนะเป็นคนเก่งในสังคมแต่ยังนอนไม่หลับแม้แต่คุณหมอเองก็ดูแลคนไข้แต่คุณหมอเองก็ยังเป็นทุกข์ อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าขาดธรรมะนั่นเองขาดธรรมะจิตใจยังไม่มีธรรมะบางคนบอกว่าทาไมเขามีความสุขแล้วต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยสุขจริงหรือเปล่าคนที่มีความสุขแล้วเมื่อถึงคนที่กินข้าวอิ่มแล้วนะไม่ต้องกินอาหารเสริมแต่คนเราบอกมีความสุขแต่ยังต้องสแสวงหาความสุขอยู่อันนั้นสุขหรือคนที่มีความสุขแล้วไม่ต้องสแสวงหาแล้วมันมีแล้วพร้อมแล้ว ยิ้มได้โดยไม่ต้องดูตลกแต่เมื่อเรายังจะต้องแสวงหาความสุขอยู่แสดงว่าชีวิตเราเนี่ยยังไม่มีความสุขที่แท้จริงหรอกเป็นเพียงแค่สุขชั่วคราวพอความสุขนั้นหายไปแล้วก็แสวงหาใหม่ไม่มีวันจบสิน้นเราจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อเราต้องแสวงหาอยู่บางคนบอกไม่มีความทุกข์ต้องมาไปฏิบัติทำทําไมเราไม่มีความทุกข์หรือเราไม่รู้จักทุกข์ไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความทุกข์นอกจาก พระอริยเจ้าพระลาหน์อย่างน้อยทุกข์ทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาร่างกายเป็นทุกข์ใจเราสบายดีไหมเนี่ยเวลาเราเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่ห้อง ICU ร่างกายเนี่ยทุกขเวทนามากใจเราก็ผิดปกติแล้วใจเราจะทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้อย่างน้อยทุกข์กายที่เกิดขึ้นมันก็มีผลทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเห็นหปวดฟัน มันไม่ได้ปวดแค่ฟันมันปวดถึงใจปวดขาปวดขาปวดหลังนี่เป็นทุกทางกายแต่ใจเราเนี่ยปกติไม่ได้มันต้องหวั่นไหวต้องกลัวเจ็บกลัวอะไรต่างๆแสดงว่าเราไม่รู้จักความทุกข์อันที่จริงแล้วทุกทางร่างกายนี่ไม่สำคัญไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงทุกข์ที่แท้จริงนั้นทุกข์ที่จิตใจใจที่เกิดความยึดมั่นถึมั่น ว่าร่างกายเป็นเรามันจึงเป็นทุกข์มากตัวยึดมั่นถือมั่นและทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใจไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แม้แต่ร่างกายจะเป็นแย่ ก, ก็ตามใจก็ยังสบายดีอยู่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยร่างกายเป็นทุกข์แสนสาหัสแต่ใจยังปกติได้แสดงว่าทุกที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ที่ร่างกายที่จิตใจไปยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้าเราใจปล่อยวางจะได้แล้วก็ทุกทางกายจะหนักหนาแค่ใดมันก็ไม่มีผลต้นานจิตใจใช่ไหมจิตกับกายมันทำหน้าที่ต่างกันรูปกับนามทำหน้าที่ต่างกันร่างกายมีหน้าที่ทุกแต่ใจมีหน้าที่รู้รูปมีหน้าที่เดินใจมีหน้าที่รู้นามมีหน้าที่รู้ทำหน้าที่ต่างกันเพราะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจตรงนี้ จะเริ่มแยกแล้ว่าอะไรคือทุกข์ที่แท้จริงทุกข์ของจิตใจเกิดจากตัณหาเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นความสุขมันก็ไม่เที่ยงสุขชั่วคลาดเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไอ้ความไม่เที่ยงความสุคนี่แหละเรียกว่าความทุกข์เราเห็นตรงนี้ไหมความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนี่แหละคือความไม่เที่ยงของความสุขทําให้เราต้องเป็นทุกข์เพราะเวลามันหายไปต้องสแสวงหาใหม่เรื่อย การปฏิบัติธรรมทาให้เรามารู้จักตัวเรารู้จักกายรู้จักใจเพราะว่าการปฏิบัตินี้คือการกลับมาดูตัวเราถ้าเราใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ได้มีสติไม่มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะไม่รู้จักตัวเราใช่ไหมเราจะไปแต่ข้างนอกมองดูแต่ทางตาทางหูสนใจแต่สิ่งภายนอก ไม่เคยสนใจตัวเราเลยเพระร่างกายปฏิบัติทาเป็นการหันกลับมาดูตัวเราดูเรื่องของกายดูเรื่องของใจเราจะรู้จักตัวเราเองมากขึ้นเราจะเข้าใจความต้องการของเราเราจะรู้ว่าเรามีความโลภแค่ไหนเรามีความตระหนี่แค่ไหนบางคนนี่มีแต่รับไม่มีการให้ <c oughs> ขอให้ได้ไว้ก่อน แต่การให้นะไม่มีเลยเพราะไม่เคยให้คนที่เคยให้ก็จะให้อยู่เรื่อยจิตคิดจะให้กับจิตคิดที่อยากจะได้เนี่ยมันต่างกันมากจิตคิดจะให้เนี่ยมันมีความเบิกบานกระตือรือร้นจิตคิดอยากจะได้เนี่ยมันดิ้นรนอยากจะได้มันต่างกันมากเนี่ยความสุขอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่เคยเห็นในส่วนนี้ดันั้นคนที่ให้จึงมักจะมีความสุข ผู้ขอมักจะเป็นผู้ที่น่าเบื่อนหน่ายของผู้ให้ผู้ให้มักจะเป็นที่รักของผู้ขอเราจะเริ่มเข้าใจเริ่องขจิตใจเรานะสําคัญมากนะเรื่มงของจิตใจเราเป็นคนขี้โกรธแค่ไหนปฏิบัติทำจะรู้แล้วว่าโอเราหงุ ด, ดหงิดหงุดหงิดมากก่อนการปฏิบัติเราไม่เคยรู้เราเป็นคนขี้โกรธแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยโอ้เราจะรู้เราทํำไมโกรธมากเหลือเกินทําไมกิเลสเรามากเหลือเกินก่อนการปฏิบัติไม่เห็นกิเลสตัวเองเลย เราเป็นคนดีแต่พอ ม, มาปฏิบัติเนี่ยอ๋อทําไมเราจะเป็นคนที่น่าหลังเกียจมากที่จริงมันก็เหมือนกันแหละแต่ชีวิตประจําวันเนี่ยเราไม่เคยดูตัวเราเลยใช่ไหม เ, เวลาเกิดความรักก็ทําตามความรักเกิดความโกรธก็ทําตามความโกรธเหมือนไม่มีอะไรคือไม่ได้ดูแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยเราได้กลับมาดูตัวเองเราจะเห็นเลยอ๋อเรานี่มีกิเลสมากแก่นี้เนาะเรามีความโกรธมากแก่นี้เรามากกักจะผิดสินอยู่ได้เรื่อย เพราะการปฏิบัติเป็นการสํารวมระวังเฝ้าดูกายดูใจเราเราจะไม่รู้หรอกว่าเราจะมีความหลงลืมสติมากน้อยแค่ไหนที่ตอนปฏิบัติจะรู้ว่าอ๋อนี่เราเป็นคนขี้ลืมสติเราขาดไปบ่อยเราจะรู้มันได้แต่ความรู้รู้รู้รทงนั้นอ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่รู้จักตรงนี้เลยเราจะวางตัวเราไม่ถูกในสังคมอันนี้สาคัญนะเวลาที่มีความทุกข์ ผู้ที่ปฏิบัติทมเนี่ยจะสามารถที่แก้ไขปัญหาได้ทำใจได้เวลาทุกข์ม่เยือนสติมาทันเวลาทุกข์ไม่เยือนจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งจะพึ่งตัวเองมากยิ่งขึ้นจะช่วยตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเรานี่ประโยชน์แค่ใกล้ๆตัวเรานะไอเรื่องขึ้นสวรรค์ไปนิพพานอันนั้นมีอยู่แล้วถึงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันจะเริ่มจากตัวเราก่อน จะไปนิพพานเนี่ยไม่รู้จักตัวเราต้องรู้จักตัวเราก่อนรู้จักเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของใจเราจะได้ใช้ตัวเราอย่างถูกต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งโอ้เยอะแยะเลยทําไมถึงต้องมาปฏิบัติธรรมจะบอกโอ้ไม่จบละเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติวิธีใดก็ตามต้องเริ่มต้นจากการมีสติทั้งนั้นอย่างที่มาปฏิบัติที่เนี่คือเรามาจเจริญสติปัฏฐานสี่ สรุปลงที่การมีสติรู้กายรู้ใจเราต้องทําตรงนี้ให้มากๆ ก, การเจริญสติปัฏฐาน4สติรู้กายเนี่ยคือเอากายมาเป็นฐานเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหลักหลักสําคัญของการทําสติปัฏฐานเลยเอากายมาเป็นฐานให้สติเข้าไปตั้งรู้ในอิเยโบต่างๆจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดิน จะขยับตัวจะจับจะฉวยหายใจเข้าหายใจออกกระพริบตาเนี่ยผู้เนี้ยเป็นฐานให้มีสติรู้ทางนั้นนะซึ่งอยู่ในตัวเราทางนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนห้องกรรมฐานเนี่ยคือกายคือใจเราไม่ใช่ห้องนี้นะอันนี้เป็นแค่เครื่องอาศัยแต่ว่ากายใจเราต่างหากเป็นห้องกรรมฐานสติที่ตั้งรู้อยู่ที่กายนานๆเนี่ยทำให้สติเนี่ยมันจเจริญขึ้นหลง แม้ว่าจะเผลอไปแล้วถ้ากลับมาตั้งรู้ที่กายมันจะทำให้สติเนี่ยตั้งได้นานเผลอไปก็มีที่กลับจิตใจไม่เลื่อนลอยถ้าสติไม่ตั้งไว้ที่กายเนี่ยใจยจะเลื่อนลอยได้ง่ายบ้านของจิตก็คือกายปลอดภัยถ้าปล่อยจิตใจเลื่อนลอยไม่รู้จักกายล้วก็อันตรายแล้ ว, ลลวเด็กก็จ ะ, จะไปกับความทุกข์ไปกับความคิดสติตั้งรู้ที่กาย ถ้ากายที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็ยิ่งดีใหญ่เลยอย่างพวกเราเนี่ยอาศัยกายเคลื่อนไหวนะ <c oughs> เคลื่อนไหวไม่กายไม่ไหวก็ตายนะเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> เวลาอาการของท้องพอง <c oughs> เคลื่อนไหวไหมถ้ากายที่นิ่งๆอันนั้นมันไม่ใช่กายก็ะ <c> ถ <oughs> างต้นไม้มันก็นิ่งนะแต่กายต้องเคลื่อนไหวอาจจะไหวแบบเป็นเอเดียบทย่อยๆพองพองท้องยุบ หายใจเข้า ใ, ใจออกกับพิบตาพวกนี้เป็นฐานที่สติเกิดได้ทั้งนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องอยู่กับปัจจุบันคําว่าปัจจุบันคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยเราขยับตัวเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยนี่เป็นการปฏิบัติาปากหายรู้สึกตัวว่ากําลังหายนีก่ก็การปฏิบัติตาเวลากระพริ บ, บรู้สึกว่ากระพริบตาก็เป็นการปฏิบัติ เป็นปัจจุบันแล้วมีสติแล้วเป็นกุศลแล้วเนี่ยง่ายๆเก็บเกี่ยวจากเนื้อจากตัวเราต้องอยู่กับปัจจุบันชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขคนเราไม่มีความสุขเพราะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันกังวลถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรเสรียจายอดีตที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาหลายปีแล้วกลับอมคิดมันก็ไม่มีความสุขเป็นหนามย่ออ ก, อกอยู่นั่นแล้วหนามย่อ ก, อก แผลกลางใจเกิดจากอาดีตทั้งนั้นใช่ไหมแปลของเก่ามากินทําไม <c oughs> มันผ่านไปแล้ ว, ม, ลา ม, ลวาามาล่าสมัยแล้วเรื่องเก่าๆมาล่าสมัยแล้วลืมเต๋เอถ้าจะคิดก็เอาไปเป็นครูไม่มีวิวอะไรของเก่าๆ เ, เอามาอุ่นกินไม่อร่อยเท่าของใหม่ๆคือชีวิตปัจจุบันอยากมีชีวิตใหม่ทําใจอยู่กับปัจจุบันเขาไว้ชีวิตจะใหม่เสมอใหม่ทุกวัน ไม่เบื่อคนใกล้ตัวด้วยไอ้ที่เบื่อคนใกล้ตัวคนน้องข้าๆเพราะมองเข้าไปเรื่องอดีตเสมอๆโอ้เจอหน้านี่เคยทำอะไรกับเราไว้เคยว่าเรานั่นเป็นชีวิตอดีตเขาเราต่างหากเป็นผู้ที่ไม่ ย, ยุติธรรมมองเขาอยู่ปัจจุบันเี่กเขาจะกลายเป็นคนใหม่สาหรับเราทันทีเลยเนี่ยเคารองการมีความสุขกับปัจจุบันไม่ต้องไปเปลี่ยนคู่เนี่ยมองคนเก่าให้เป็นปัจจุบันเถอะเขาจะกลายเป็นคนใหม่ ใหม่เสมอใหม่ทุกวันเนี่ยที่พี่จมีความสุขเนี่ยนี่คือเรื่องปัจจุบันนะอนาคตก็อย่าไปมองอนาคตเนี่ยมันไม่มีหรอกมีแม่อนาคตกุ้งนี้ก็ยังไม่จริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงกว่าเราจะมีความสุขก็ปัจจุบันนี่แหละอย่าไปรออย่าไปรอเอาความสุขอนาคตเราดึงความสุขอนาคตมาใช้ปัจจุบันให้หมดเป็นคนไม่มีอนาคตไปเลยอย่างนี้ อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันดีแล้วการก้าวไปในอนาคตก็ย่อมดีนะสุขหาได้จากปัจจุบันนะอย่าไปรออนาคตนะเนี่ยอันนี้คือการฝึกเจริญสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายฝึกบ่อยๆให้ชำนาญจิตมันจะเคยชินเหมือนจิตที่ถูกสอนอเช่นเวลาเรารู้อารมณ์ของร่างกายเราพองก็รู้เนี่ยยุบก็รู้ จิตมันสอนจิตมันถูกสอนสอนให้กลับมาลู้กลับมาลู้ตัวเราสอนพอสอนบ่อยๆเนะี่ยจิตมันก็จะชำนาญที่จะรู้เองได้เป็นการสอนจิตที่ชอบเผลอใช่ไหมเวลาเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเผลอบ่อยคิดอดีตคิดอนาคตแล้วมันก็เอาความทุกข์มาใส่ใจเราให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราสอนให้รู้สึกบ่อยๆกับเนื้อกับตัวเราเนี่ยจิตมันก็จะกลับมามันจะไม่หนีไปไหนใช่ไ สอนจิตมันสอนลูกอาจจะใช้คำบริกรรมทุกท่านก็จจมีคำบริกรรมแต่บริกรรมแบบให้รู้สึกตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าท้องพองยุบแต่ไม่รู้ตัวแล้วว่าท้องพองตอนไหนยุบตอนไหนต้องรู้สึกด้วยเวลาเราบริกรรมว่าพองหนอให้ใส่ความรู้สึกลงไปในอาการที่มันพองเวลาท้องยุบก็ยุบหนอให้รู้สึก ตรงไปในอาการที่ท้องยุบด้วยอาการบริกรรมพองหนอยุบหนอเป็นคาถาแต่ความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวที่ใช้คาถาอย่างถูกต้องสําคัญที่รู้สึกตัวนะเราทําอะไรอยู่เรารู้สึกไหมมีคําบริกรรมต้องบริกรรมแบบรู้สึกด้วยรู้ตัวด้วยว่าเรากําลังทํำสิ่งนั้นจริงๆอย่าบริกรรมแบบนอกแก้วนอกขุนทองแต่ไม่รู้ตัวเลยต้องรู้ตัวด้วย สาระสำคัญเดีที่ความรู้ตัวถ้าบริกรรมแล้วไม่รู้ตัวสู้รู้ตัวแบบไม่บริกรรมดีกว่าถูกไหมปฏิว่ากลับกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกอย่าไปอย่าไปนี่นะปฏิว่ากลับปฏิวัติกลับมารู้สึกรู้สึ ก, ก, ส ก, สกใช้คําบริกรรมช่วยมันชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้เคล็ดลับของการปฏิบัติอยู่ตรงเนี้ตรงที่รู้สึกตัวอยู่กับอาการของเราประกอบคําบริกรรม เราจะเห็นสภาวะธรรมมากมายเลยสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นเรานั่งไปเนี่ยรู้สึกปวดใช่หไหมปวดไหมขอบคุณนะที่มันปวดนะความปวดในผิดไหมผิดไหมไม่ผิดนะโอ้ถูกต้องแล้วที่ร่างกายก็ทำหน้าที่ปวดโอ้ถูกต้องแล้วทำยังไงถ้าเราไม่อยากให้มันปวดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมสภาวะธรรมก็แสดงตัวออกมา โอ้นี่ร่างกายแสดงสภาวะธรรมของความปวดทุกเวทนาให้เราได้รู้นะเนี่ยคือสัจธรรมให้เรารู้แล้วก็รับรู้ในการอ๋อปวดเนาะปวดเนาะก็บริกรรมไปจะ ต, ต้องรู้สึกในความปวดด้วยวางใจเป็นกลางกลางอย่าไปอยากให้มันหายวางใจเป็นกลางกลางรู้เฉยเนี่ยเป็นตัวปัญญารู้เฉยแล้วก็เปลี่ยนอย่างมีสติไม่ผิดเปลี่ยนอย่างมีสติ อ๋อเปลี่ยนแบบรู้สึกอันนี้คือสภาวะธรรมเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราห้ามแต่ไม่ความคิดคนที่ไม่คิดคนที่ตายอ่ะคนตายแล้วไม่คิดนะคิดได้แต่เราก็รู้ด้วยรู้คิดหนอคิดหนอให้รู้สึกในความคิดอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับจิตเขาแสดงความจริงออกมาว่าเขาต้องคิดจิตต้องคิดให้เรารู้ทันนไหม อย่าไปห้ามแต่ให้รู้ทันบางทีมันก็มีความสุขสุขก็ต้องรู้อย่าเข้าไปอยู่มันเคล็ดลับการเป็นแบบคือให้เป็นผู้รู้อย่าเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปเป็นให้รู้กายอย่าเข้าไปเป็นกายถ้าเข้าไปเป็นกายเราก็ต้องแก่ตามกายแล้วก็ตายตามกายแล้วก็ป่วยตามกายให้เป็นผู้รู้กายกายมันเจ็บกายมันเคลื่อนไหวอย่าเข้าไปเป็นเคล็ดลับนะ ให้รู้เรื่องของจิตอย่าเข้าไปเป็นจิตเวลาจิตมันคิดปรุงแต่งคิดรักอ๋อนี่มันรักให้รู้ว่ามันรักอย่าเข้าไปเป็นเวลามันโกรธให้รู้มันอย่าเข้าไปเป็นเห็นไหมนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ดูผู้รู้นนยอย่าเข้าไปเป็นกายกับจิตนี่เป็นไม่ได้หรอกถ้าเป็นมันก็ต้องแก่อย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเป็นกายก็ต้องพิการตลอดชีวิตเป็นผู้ดูผู้รู้ในความพิการความพิการเป็นเรื่องของกาย ความรู้เป็นเรื่องของจิตจิตต้องรู้อย่าเข้าไปเป็นมันเนี่ยเครับการปฏิบัติเนี่ยให้เป็นผู้รู้อย่าเข้าไปเป็นเวลามันสุขก็อย่าเข้าไปเป็นผู้สุขให้เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแล้วก็อย่าไปห้ามทุกอย่างเป็นสฉพาะนามที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติห้ามไม่ได้แต่รู้ได้มันง่วงอ๋อง่วงก็รู้ว่าง่วงอย่าเข้าไปง่วงกับเขาง่วงนี่เป็นธรรมะไหม ทรรมะไม่ง่วงอ่ะผิดไหมถ้ามาง่วงอ่ะโอ้ถ้าเห็นความง่วงนี่เห็นธรรมะนะเห็นธรรมะนะแต่ว่าอย่าเข้าไปเป็นผู้ง่วงโอ้ก็บริกรรมไปง่วงเนาะง่วงเนาะให้อย่างและให้รู้สึกตัวในความง่วงถ้าหลับบริกรรมได้ไหมหลับเนาะหลับเนาะได้ไหมแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัตินะหลับนี่มันไม่มีสติแล้วบางคนบอกโอ้ฉันเก่งมากบริกรรมตอนหลับได้หลับเนาะหลับเนาะนี่โม้ทั้งนั้นะ จะรู้ได้ยังไงสติไม่เกิดแล้วหลับไม่ถึงก็ตายไปแล้วตอนนั้นสติไม่เกิดแล้วสติจะเกิดขึ้นเมื่อตอนตื่นตอนมีอารมณ์มากระทบอันนี้เคล็ดลับการบริบัติคืออยากเข้าไปเป็นให้เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูมันอยากเข้าไปเป็นมันถ้าเข้าไปเป็นมันเนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติเพราะเวลาเราไม่ปฏิบัติเราก็เป็นอยู่แล้วเวลาเกิดความโกรธล้วก็โกรธเวลาเกิดความรักเราก็รักแต่นักปฏิบัติจะต้องเห็น เห็นความโกรธเห็นความรักเห็นความเบื่อเห็นความขี้เกลียดไม่ได้เข้าไปพูดที่ขี้เกลียดด้วยเนี่ยปลอดภัยแล้วทุกจะเกิดขึ้นจากกายมากน้อยแค่ไหนแต่ใจเป็นผู้เห็นความคิดจะปรุงแต่งให้ใจเราซ่อหมองแค่ไหนใจเราก็ไม่ได้ไปร้อหมองด้วยเป็นแค่ผู้เห็นปลอดภยัยปลอดภยัยถ้าเราฝึกบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆรู้สึกบ่อย บริกรรมในความรู้สึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจิตเขาจะรู้เองสติจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติต้องทําบ่อยๆนะแล้วก็เขาจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราสอนให้เขารู้สึกตัวก็จะรู้สึกเองต้องอาศาัยความเพียรความอดทนจึงจะเห็นผลแล้วก็ต้องต่อนเนื่องด้วยไม่ใช่ขณะปฏิบัตินี่ต้องเอาจริงเอาจังแต่พอออกไปทานข้าวแล้วโอ้ฟุ้งเหมือนเดิม ต้องให้ต่อเนื่องกันจะได้ประโยชน์มากเหมือนเราตำน้ำพริกไงไหมตำเป๊กเดียวก็ยังกินไม่ได้ต้องตำหลายหลครั้งน้ำพริกจึงจะกินได้ทานข้าวคำเดียวก็ยังไม่อิ่มต้องทานหลายหาคำการปฏิบัติเหมือนกันต้องรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจึงจะได้ผล <c oughs> ง่ายไหมง่ายนะเรื่องเหมือนเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเย็นเรื่องยากคือเรื่องความคิดปฏิบัตินี้ไม่ยากหรอกมันยากตอนที่จะไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะ ไม่ยากง่ายๆแค่รู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้เวลาใจมันคิดก็รู้แค่รู้เฉยๆแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรม ท, ที่สมบูรณ์ลวจบลงที่ความรู้สึกตัวเท่านั้นทีนี้เราจะรู้ยดงไงว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมคนที่ปฏิบัติถูกต้องกาหนดถูกต้องรู้ถูกต้องเนี่ยจิตจะเบากายจะเบาจะมีแต่ความผ่อนคลายไม่เ่งเครียดมันจะมีความสุข ความฟุ้งซ่านก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วก็จะขยันนะมะคนไหนที่ขยันนั่นแหละเริกปฏิบัติเข้าทางนะคนที่ขยันพุทธองค์นี่บอกว่าคนมีสติย่อมขยันการปฏิบัติหรือการมีสติแล่นมันก็จะขยันแต่ถ้าทําให้ขยันไม่เป็นไรนะทําท่าขยันไว้ก่อนทขยันอยันไว้ก่อนง่ายๆวิธีการเอาชนะความขี้เกียจนี่ง่ายมากเลยเปลี่ยนเป็นขยันซะความขี้เกียจมันก็หายไปละ เปลี่ยนนะจากความขี้เกียจเป็นขยันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองมันง่ายเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือซะนะคนปฏิบัติถูกต้องจิตใจจะเบาผ่อนคลายจะมีความเบิกบานมีความขยันแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบันจะเกิดญาณอย่างรู้เริ่มเกิดญาณเห็นรูปเห็นนามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นตัวเ็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นกระทั่งมรรคผลนิพพานได้ซ้ำไป นี่คือปฏิบัติที่ถูกต้องเกิดยานอย่างรู้เห็นรูเปเห็นนามแค่ยานที่หนึ่งนี่ก็โอ้ดีแล้วแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องจะเป็นยังไงเครียดปวดศีรษะปวดต้นคออึดอัดบางทีคลื่นไส้อาเจียนเบื่อเซง็งขี้เกียจเกิดยานเหมือนกันยานหอบเสือหิ้อกระเป๋าเหมารถเนี่ยมันก็มีอีกยานหนึ่งนะพวกยานขี้เกียจนะ มีไหมใครเป็นอย่างนั้นไหมมีการอยากจะหอบเสือหอบหมอนอยู่ดูหน้ากันก่อนอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งพิสูจน์ได้เลยอยู่ที่ใจเราธรร ม, มะเนี่ยอย่าไปให้ครูบาอาจารย์บอกว่าถูกแล้วอีกแล้วเราเองนะฮะถ้าเรามีความรู้สึกตัวอ่ะถูกต้องถ้าเรามีความหลงลืมตัวมันก็ยังไม่ใช่ชีวิตเรามีสองอย่างคือรู้กับลงถ้ารู้สึกตัวเนีะ่ะเราก็มีความเบิกบานถ้าหลงลืมตัวก็มีความทุกข์ เพราะความคิดเข้าแทรกเข้าปรุงแตง่งให้เราขยันอย่างนี้มาปฏิบัติเพื่อต้องมีความขยันขยันเพื่ออะไรเพื่อให้สติมันตื่นการปฏิบัติไม่ใช่เอาความสงบหลับไหล น, นะเอาความตื่นรู้ตื่นรู้ถ้าสงบเนี่ยมันยังไม่ใช่ต้องตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้เพื่ออะไรมันจะได้เกิดปัญญาปัญญาจะรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นเห็นธรรมะคือเห็นตัวเรา เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเห็นธรรมะเห็นธรรมะไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงหรือเห็นพระเจ้าหรือเห็นคนที่ตายไปแล้วมาขอส่วนบุญอันนั้นไม่ใช่นั่นมันทำเมาทำเมาหลงหลงเห็นธรรมะต้องเห็นตัวเราเห็นกายเรากําลังทําอะไรเห็นใจเรากําลังคิดนึกอะไรนี่คือเห็นธรรมเห็นตัวเรานนนะะะเพราฉั้การปฏิบัติเนี่ยไม่เกินตัวเราเลย ไม่เกิดรู้นอกเนื้อนอกตัวเราเรารู้นอกตัวมากแล้วมารู้จักตัวเราซะบ้านอาศัยสตินี่แหละคุณธรรมจะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสติเพราะฉะนั้นสะสมให้มากๆคือขยันรู้สึกขยันรู้สึกบริกรรมก็รู้สึกอันเนี้เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้จะรู้จักแก้ปัญหาตัวเองเวลามันเกิดปัญหาที่ขณะปฏิบัติเนี่ย เราจะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างไรบ้างตรงนี้เป็นแบบฝึกของการนําเอาไปใช้อย่างเช่นเวลามันเกิดความปวดเมื่อยใจเราเป็นทุกข์ไหมถ้าใจเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่าเวลาเราใช้ชีวจริงๆเนี่ยไปอยู่ที่ประจําวันเนี่ยท่าร่างกายต้องปว่วยไข้เราก็ไปทุกข์อีกเหมือนกันเราฝึกไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อกายมันทุกข์ฝึกไว้ก่อนเพื่อ น, นําเอาไปใช้ แล้วเราหนีไม่พ้นหรอกเรื่องความทุกข์กายเนี่ยถ้าไม่ฝึกตอนนี้จะฝึกตอนไหนอะ่ะเป็นนอนอยู่ตอนเสียบน้ําเกลือสายออกซิเจนแล้วก็อ้าฉันจะฝึกตอนนั้นหรอไม่มีทางเลยต้อแท้หมด ก, กาลังใจแล้วต้องรอกําลังใจตอนนั้นไม่ต้องแล้วเราฝึกตอนเนี้ฝึกอดทนอดทนกับทุกขเวทนากายทุกใจไม่ทุกเวลาจิตใจมันขี้เกียจไม่อยากปฏิบัติโอรู้จักเอาชนะมันได้ไหม เอาชนะความขี้เกียจขนาดปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไปใช้ชีวิตมันก็ทําอะไรไม่สําเร็จฝึกจากเนี่ยห้องกรรมาฐานเนี่แหละเป็นวิธีการฝึกเวลามันเกิดความง่วงนอนเอาชนะมันได้ไหมถ้าเราเอาชนะตอนนี้ไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านเวลาง่วงแล้วก็หลับเหมือนเดิมอันนี้เป็นแบบฝึกอย่างดีเพื่อนําเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันไอ้ฝึกจากยาก ấy, ยิ่งดีอหญ่เลยสั่งสมพลังเอาไว้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยเป็นอุปสรรคแร้วว่าอย่างนั้นนะแต่นั่นละ่ะคืออุปกรณ์ในการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่าท้อแท้กับมันดีแล้วที่มีโอกาสได้ฝึกซักก่อนเพราะว่าเรื่องของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากชีวิตเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากว่าเราจะไปทางสุขหรือจะไปทางทุกเรารู้ไม่ได้เรารู้ไม่ได้ เพราะทุกอย่างมีแต่การเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนตั้งกันเลยบางอย่างสมหวังบางอย่างผิดหวังเวลามันเกิดความสมหวังก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาผิดหวังมันก็มีปัญหาเราทำใจได้ไหมเมื่อเวลาเราผิดหวังและสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนสมหวังกับผิดหวังดูสิชีวิตคนบางคนเนี่ยโอ้ร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมีตาแหน่งหน้าที่การ ง, งานสูง แต่ตอนนี้ยังเล่ร่อนอยู่ต่างประเทศกลับบ้านไม่ได้ตอนแรกสมหวังแล้วต่อไปผิดหวังทําใจได้ไหมถ้าเป็นเราเราจะทําอย่างไรเนี่ยเอย่างเงี้ยร่างกายที่พิการอย่างเงี้ยแต่ก่อนมีแต่ความสมหวังสมหวังแต่ต่อมาเนี่ยชีวิตพลิกผันมาต้องพิการตลอดชีวิตการงานก็ไม่มีต้องลาออกจากงานร่างกายต้องพิการจิตใ จ, จต้องผิดหวังถ้าเป็นเราจะทำใจได้ไหม <c oughs> แล้วจะร้อยเป็นอย่างนี้ซะก่อน อย่างคุณวิระเนี่ยนะแต่ก่อนก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตแต่ต่อมาเนี่ยทำงานมากจนร่างกายต้องผิดปกติต้องประการคนพิการแบบนี้ใช่ไหมเราทำใจได้ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าความทุกข์มีไว้ให้ท้อแท้ความทุกข์มีไว้ให้ตั้งหลักที่จะใช้ชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่มาปฏิบัติทำชีวิตก็ดีขึ้นลืมเรื่องเก่าๆกล้าเผชิญหน้ากับพญามาจุราชได้ เพราะว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งเราจะรอให้พิการก่อนแล้วก็เอาจริงเอาจังเลยตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเรายังเดินได้อย่างผมเนี่ยเดินไม่ได้ไปไหนก็ต้องมีคนช่วยถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็จิตมันจะฟุ้งซ่านคลุ้มคลั่งไปนานแล้วเพราะมีธรรมะมีสติเป็นเครื่องอยู่รักษาจิตรักษาใจเป็นปกติได้แม้ร่างกายต้องพิการ พวกเราอาจจะไม่พิการอย่างผมก็ได้แต่เราอาจจะพบ ก, กับความผิดหวังอีกหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอเจอมาก่อนเพราะนั้นตอนนี้มีโอกาสสร้างพลังของสติเอาไว้เตรียมตัวรักษาจิตใจฝึกจิตฝึกใจให้มีภูมิต้านทานกับความทุกข์สร้างภูมิต้านทานด้วยการปฏิบัติธรรมและต่อไปเวลาเจอปัญหาเนี่ยสบายเลยเห็นเนี่ยเจอปัญหาสบายเลย เนี่ยการปฏิบัติธรรมในมันดีอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมอยู่ในทางโลกก็มองโลกในแง่ดีเจอเรื่องเลวร้ายกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเวลาเจอปัญหาชีวิตก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ค่าตัวตายกินยาตายต้องกินยานนหลับเป็นโรคจิตโรประสานเพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แต่ถ้ามีธรรมะแล้ว okay. มันจะมองเป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยจิตใจที่เป็นปกติคนอื่นเป็นทุกข์กันแต่เราไม่เป็นทุกข์ในเรื่องเดียวกันเนี่ยอากาศร้อนมากคนอื่นบนมุดกี่ร้อนจังแต่เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรนยเห็นเขาเป็นทุกข์แต่เราไม่ต้องเป็นทุกข์แต่สามารถช่วยเหลือเขาได้อย่าลืมนะสามีภรรยาเขาบอกว่าเราเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันเวลาเธอเป็นทุกข์ฉันทุกข์ด้วยเวลาเธอสุขฉันสุขด้วยอย่าไปคิดอย่างนั้น เธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์กับเธอแต่ฉันช่วยเธอไม่ให้ต้องเป็นทุกข์มันต้องอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรต้องเป็นทุกข์กับเขาด้วยเราไม่ทุกข์เธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์กับเธอแต่ฉันช่วยเธอไม่ให้เป็นทุกข์นักปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในโลกแบบนี้นี่คือประโยชน์ทางโลกประโยชน์ทางธรรมก็คือได้รู้จักตัวเองเห็นสัจธรรมของชีวิตใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง แล้วก็มีความสุขเห็นไ่มสุขทางธรรมมันละเอียดกว่าสุขทางโลกสุขทางธรรมนี่ไม่ต้องแสวงหามันก็ยิ้มได้มีความสุขได้สุขทางโลกจะต้องไปดูไปฟังไปตีตัว๋วต่อคิวอรอลุ้นแล้วต้องให้ไรอย่างใจด้วยสุขทางโลกเหน็ดเหนื่อยจะต้องแก่งแยกสุขทางธรรมไม่ต้องไปไหนมันมีอยู่แล้วอยู่ในตัวเราเพียงแค่ให้มีความรู้ส<ะ>ึกตัวไอความปรุงแต่งทำให้เราเป็นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น ก็อยากจะให้เราได้ซักถามใครอยากมีอะไรถามก็ถามได้นะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการใช้ชีวิตก็พอจะแบ่งปันกันได้คือชอบมีคนมาพูดอะคนแวดล้อมอะนะคะว่าไม่กลัวหรือตอนแก่จะลำบากหรือว่าไม่กลัวหรือตอนแก่จะจนซึ่งเราก็ไม่ได้กลัวนะคะแต่บางทีเขาพูดพูดเราก็เออนึกถึงว่ามันก็คืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เขาก็บอกว่า เธอคงไม่ตายเร็วหรอกอะไรอย่างเงี้ยฮะชอบทําให้เราคิดว่าเอออนาคตไม่กลัวจนกลัวลําบากอะไรอย่างเงี้ยฮซึ่งจริงๆเราไม่ได้คิดขึ้นแต่คนอื่นบอกเราอะไรเงี้ยทําให้เร า, าบางครั้งก็นึกอย่ามาว่าการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ต้องทำาหากินนะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้นคือต้องนําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ได้ห้ามทำมาหากินพระเจ้าสอนให้ขยันหา <c oughs> ให้มีความเพียร ให้มีความขยันหาเราสามารถใช้ชีวิตแปลการปฏิบัติธรรมกับการทําหน้าที่ได้เลยนะเช่นเราค้าขายเราทํางานค้าขายอย่างมีสติรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ดีว่าเราค้าตรงนี้ใจคิดว่ามันน่าจะมีลูกค้ามากๆทําไมลูกค้าไม่มาอย่างนี้คือไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตใจฟุ้งซ่านแปรนาคดหวังในผลแต่ถ้าเราค้าขายอย่างมีสติ าใจเราเกิดความโลภ ก, ก็รู้มันโกรธก็รู้เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมโลกไม่ช้าธรรมไม่เสียปฏิบัติธรรมแปลการใช้ชีวิตเลยการปฏิบัติธรรมไม่ขัดขวางกับการดําเนินชีวิตจริงๆของเราหรอกชีวิตเราต้องทําหน้าที่อยู่แล้วให้เติมสติลงไปให้รู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นค้าขายด้วยความเคร่งเครียดลูกค้าที่ไหนจะเข้ามาถ้าค้าขายแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน โอ้ลูกค้าเต็มลานเลยเห็นไหมจะขายไม่ทันด้วยซ้ําไปอย่าไปรอว่าตอนแก่กลัวจะไม่มีอะไรไม่ใช่หรอกตอนนี้เรามีความสุขตอนแก่มันก็มีความสุขชีวิตปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นเราอยู่ยังไงเราก็ตายอย่างนั้นถูกไหมอยู่ยังมีความทุกข์ก็ต้องตายอย่างมีความทุกข์อยู่ยังมีสติก็ตายอย่างมีสติอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นไม่มีปัญหาคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วตอนแก่ก็สบายเกือบทุกคนแล้ว สบายทุกคนเพราะเริ่มต้นจากการสะสมบุญกุศลจากปัจจุบันบุญกุศลจากปัจจุบันนอกจากส่งผลในปัจจุบันแล้วอนาคตก็ตามไปส่งถึงชาติหน้าพบหน้าไม่มีการเสียประโยชน์มีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นการให้ทานการรักศาศีลการภาวนาเป็นบุญลำดับขั้นอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหวัง ไม่ต้องกลัวว่าตอนแก่จะไม่มีกินนะอย่างผมนี่ไม่มีเงินหรอกแก่จนป่านนี้แล้วยังมีคนดูแลมากมายธรรมะช่วยรักษาธรรมะช่วยจัดสรรไม่ต้องกลัวมีธรรมะเป็นที่พึง่งไม่ต้องกลัวอดตายขอภัยนะพระกุณเจ้าท่านบวชท่านก็ไม่มีเงินหรอกจนป่านนี้ถ้ามีแค่บาทเดียวท่านอยู่ได้ตจอดชีวิตเลยมั้ย <c oughs> อยู่จนแก่ยิ่งแก่ยิ่งขลังเอยิ่งแก่ยิ่งขลัง แล้วเราเนี่ยโอ้ทำอะไรได้มากกว่าอย่าไปกังวล น, นะคําตอบมีมากมายไม่ต้องกลัวนนั่นคือแค่อนาคตปัจจุบันให้ดีเข้าไว้ปัจจุบันมีศีลมีธรรมเข้าไว้อนาคตเนี่ยเราจะกลายเป็นล่มโพล่มใส่ไม่ใช่ล่มตาลล่มมะพราะ้าวคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนแก่เนี่ยเป็นล่มตาลร่มมะพร้าวนะโอ้โหล่นลงมาคอย่นเลยถ้าเป็นล่มโพล่มใส่ในี่เย็นนกมาเกาะมากมาย เป็นดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แสงมันนวลเย็นสบายดวงอาทิตย์มันร้อนดีไหมธรรมะผู้เจ้าตัดไว้ว่าผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมโอ้ดีทั้งนั้นอันนี้ผมไม่ได้ว่าเองพุทธจาว่าไว้ <c oughs> คนบางคนนะคะที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทําชั่วตลอดเวลาแต่ก็ยังได้ดิบได้ดี แล้วอย่างงี้คําที่พระพุทธเจ้าพูดว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันก็ไม่จริงสิค ะ, ะจริงไหมทําชั่วได้ดีมีถมไปใช่ไหมทําดีได้ดีมีที่ไหนโอ้นี่มันพาษิบโบราณแล้วเรางจักแบ่งดีกับชั่วถ้าเราทําดีมันดีไหมแล้วมันได้เงินไหมคนบอกว่าทําดีดีแต่มันไม่ได้เงินได้เงินจึงจะดี ปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงจะได้เงินได้ไงเอามะม่วงไปขายก่อนจะได้เงินสมมติเราคิดชั่วเนี่ยเราคิดอยากจะทำร้ายใครสักคนเนี่ยดีมมันไม่ดีตั้งแต่คิดแล้วยังไม่ได้ทำเลยถ้าเราคิดดีอ๋อวันนี้ต้องไปปฏิบัติทำไปฟังทำดีไหมมันดีอยู่แล้วในตัวส่วนเราจะไปได้หรือไม่นั้นนั่นอีกด้านหนึ่งมันดีในตัวกระทำอยู่แล้ว แต่ว่าผลอ า, อาจจะไม่ออกมาในตอนนั้นก็ได้บางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้มาฟังธรรมแต่คิดเนี่ยมันดีแล้วเราไปเจอคุณพ่อคุณแม่เรากรอดท่านดีไหมอาการกอบแบบนี้ดีใช่ไหมแต่นี้อาจจะลำคานถ้าต้องกอบเราตอบได้หรือแต่เรากรอท่านเราดีแล้วกระทำดีแล้วใช่ไหมส่วนท่านจะกรอตอบแราเลยไหม น, นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันดีอยู่แล้วในการกระทํา เราคิดชั่วทำชั่วก็ดีอยู่แล้วในการกระทำส่วนผลนั้นบางทีต้องรอยกันหน่อยทำไมคนจึงทำดีแล้วจึงมีความทุกข์ทำไมคนจึงทำความชั่วแล้วจึงมีความสุขลอยนวลเราแน่ใจหรือแล้วเขามีความสุขอยู่เราแน่ใจหรือตลกที่แสดงหน้าเวทียิงมแย้มแจ่มใสรู้เลยว่าเขามีความสุขจริงในใจอาจจะเป็นอะไรลึกๆ ก, ก็ได้คนเราเนี่ย มีกระเป๋าอยู่สองใบกระเป๋าบุญกระเป๋าบาปหรือกระเป๋าดีกระเป๋าชั่วทุกอย่างมีผลดังนั้นทำความดีกระเป๋าของความดีก็เต็มทำความชั่วกระเป๋าของความชั่วก็เต็มแต่อะไรจะส่งผลก่อนดีจะส่งผลก่อนหรือชั่วจะส่งผลก่อนใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะส่งผลก่อนแต่ว่ามีผลแน่ความดีความชั่วทาชั่วก็ย่อมได้ชั่ว อาจจะไม่ส่งผลตอนนั้นก็ได้บางทีต้องรอเวลาอีกหน่อยใช่ไหมแต่มันดีอยู่แล้วมันช่วยอยู่แล้วในตัวที่เรากระทำส่วนผลนั้นบางทีต้องรอเวลารอโอกาสเพราะนั้นทำสองอย่างเนี่ยมันต่างกันมากคนที่ทำความชั่วแล้วมีความสุขเราดูแค่ภายนอกแต่ไม่รู้จักใจเขาเลยผลบอกว่าจิตคิดอยากจะได้ของเขากับจิตคิดใช้เขาเนี่ย ไม่มีใครรู้แล้วเราเป็นอย่างไรแต่เราเป็นผู้ให้ผู้รับเรารู้เองถูกไหมมันรับอยู่ที่ผู้กระทำก่อนเราจะดูอาการภายนอกอาการภายนอ ก, อ า, ก, าาน อ, กอาจจะเป็นการเสแสร้งเป็นการสร้างภาพแต่ข้างในนะเป็นของจริงถ้าเราไปฏิแบบัิเราจะรู้จักตัวเราอ๋อนี่ชั่วทำใจเราอย่างนี้นะทำให้ใจซ่อมมองนะออดีทำให้ใจเราผ่องใสเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยอาจจะเกิดไม่พร้อมกัน เราจะเห็นว่าทําไมเขาจึงมีความสุขเห็นไหมเขาทําความชัว่วทําไมจะมีความสุขที่มีความสุขผลของความดีที่เขาเคยทํามากําลังส่งผลอยู่ก็ได้ส่วนผลความชั่วนั้นอาจจะลอยในวันต่อไปก็ได้ไม่ต้องให้คอยดูเขาไม่ต้องคอยดูไม่ต้องคอยส่งน้ำหน้าเขาเขารับผลเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยจะทําดีก็ตามทำชั่วก็ตามมีผลทั้งนั้นเลยแต่จะส่งผลเมื่อไหร่นั้น บางทีต้องอาศัยเวลาปลูกมะม่วงต้องได้มะม่วงปลูกมะม่วงไม่ใช่ได้เงิน <c oughs> เอามะม่วงไปขายก่อนจะได้เงินบางทีต้องรอเวลาทำดีดีทำชั่วชั่วถูนะ <c oughs> แต่เรามากักจะมองว่าความดีอยู่ข้างบนใช่ไหมทําความดีแล้วเราต้องดีแบบนั้นคือเอาตัวเราจะต้องดีทำไมไม่ทําความดีเพื่อความดีเราจะได้ไม่ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเราอยากจะดี เนี่ยไปยึดมั่นถึงมันทำดีเอ่ดีเพื่อความดีไม่ใช่ทำดีเพื่อให้เราดีถ้าเราดีเมื่อไหร่แล้วก็คนนู้นจะต้องสรรเสริญเรานะเราต้องมีเงินมีท้องนะจึงจะดีเรามากักจะมองความชั่วในแง่ของความลําบากความทุกข์มองในแง่งความดีคือต้องได้เงินต้องได้คําต่อเติญยออันนั้นเป็นเพียงมองแค่ภายนอกแต่ข้างในนั้นเราจะรู้ดีว่าามันเกิดอะไรขึ้นกับใจเราเห็นไหม เวลาเราให้ใครเนี่ยเราสบายใจไหมสบายใจเห็นไหมเราจะบริจาคของสักอย่างแล้วเนี่ยมืนอี้คิดให้ดีไหมเนาะไอ้นี่ก็มีประโยชน์เอาไว้ใช้ก่อนก็ดีกว่าแต่พอให้ไปแล้วเนี่ยโอ้หมดเรื่องหมดลาไปโอ้โล่ง อ, อกไปทีงที่ได้ให้ก่มังั้นคิดอยู่นั่นแล้วอีกใจนึงก็ตนีอีกใจ น, นึง ก, ก็อยากให้เอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะวันหน้าได้ใจหายไปก็ดีมันเก๊กไแล้วก็โอ้นอนไม่หลับไอ้ <c oughs> แต่ให้ไปแล้วเออโล่งไปที <c oughs> โล่โลกงกยมันอยู่ตรงเนี้พิสูจน์ได้ที่ใจเราขอกลับเรียนมาอาจารย์นะคะต่อยอดจากเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยปัญญาเกิดถึงได้รู้ว่าต้องทําอย่างไรแต่ถ้าในกรณีที่ทําดีแล้วมันไม่ได้ดีแล้วอารมณ์นั้นเนี่ยมันเกิดโทสะเมื่อโทสะเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะทําในสิ่งรุ่มหลงและทำในสิ่งที่ไม่ดีคําถามก็คือ ถ้าในกรณีตรงนั้นมีวิธีการดับหรือวิวธีการคิดยังไงก่อนที่จะลุ่มหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาอย่างน้อยเราจะต้องให้รู้ทันนะให้มีสติรู้ทันก่อนรู้ทันเวลาเราคิดทำความดีเรารู้และทำความดีแต่ถ้ามันไม่ได้ดีเราจงรู้ว่าเนี่ยเรามีความมุ่งหวังมันเป็นกิเลสแล้วอยากจะให้มันได้ ทุกอย่างเนี่ยมันอยากอย่างใจเราไม่ได้หรอกได้อย่างที่เราอยากไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีเป็นใจก็ต้องมีสติรู้ทันโอขณะเราทําดีแล้วยังไม่ได้ดีไปทําชั่วมันจะได้ดีตรงไหนล่ะสติรู้ทันอ๋อนี่มันจะชั่วเนี่หนักเข้าไปนะเนี่ยเวลาเราเศร้าหมองแทนที่จะไปหาพระไปกราบพระไปฟังธรรมไปสนทนาธรรมกับเพื่อนกับพระแต่กลับไปดื่มเหล้าดับความเศร้าหมอง แล้วคิดเลยว่าดื่มเหล้าแล้วมันจะหายเศร้าหมองมันเศร้าแต่เริ่มจะไปดื่มแล้วแล้วดื่มเข้าไปเนี่ยโอ้ทาให้ร่างกายก็เศร้าหมองแต่เกิดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ป้อนเหล้าเลยมีกล้วยสวยๆให้เรากินแต่เราไปกินเหล้าเข้าไปทําลายร่างกายแล้วก็หายเมาเขเราไม่น่าเราไม่น่าเลยเห็น ไ, ไหมให้มีสติรู้ทันแล้วก่อนทําดียังไม่ได้ดีทําชั่วจะได้ดีได้อย่างไงต้องละสติต้องมาทัน สติมาไม่ทันเนี่ยทุกอย่างนี่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้เวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยอย่เช่นคิดจะทําความชั่วถ้าเราขาดสติไม่เห็นความคิดเราก็เอาความคิดนี้เป็นเราเลยเพราะความคิดเป็นเราก็ต้องทําตามความคิดอย่างเช่นโกรธขึ้นเนี่ยโกรธมันโกรธเรารู้ไม่ทันในความโกรธไม่มีสติไม่โกรธหนอโกรธหนอขาดสติ ทำตามความโกรธและต้องรีบทําเลยนะต้องรีบไปต่อว่าเดี๋ยวมันจะหายโกรธต้องรีบนะเพราะขาสติคอยเย็บจั้งยังใจคอยตัดอารมณ์ตัดความสุขนี้ไปก็เรียกติดอารมณ์ติดอารมณ์มันก็ก่อไปกับอารมณ์เสร็จแล้วมันก็เกิดปัญหาที่หลังโอ้เราไม่น่าเลยเราไม่น่าไปว่าเขาเลยไม่น่าทำลายเขาเลยเพราะขาสติคอยเย็บยั้งยังใจบางอย่างแก้ไขไม่ได้เสียใจใไปตลอดชีวิตเพราะคําพูดเพียงคําเดียวว่าก็ได้ เพียงคำเดียวนั้นทําให้เราเศราหมองกับคุณพ่อคุณแม่กับคนที่เรารักเพียงแค่คําเดียวเราไม่น่าพูดไปเลยแล้วแก้ไขไม่ได้ละเพราะต้องขาดสติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละพอจะไปทําช่วยมีสติเข้าไว้แค่มีสตินี่มันหยุดเช่นเวลาเราไม่พอใจเกิดความโกรธถ้าเราขาดสติเราจะโกรธเต็มร้อยถูกไหมถ้ามีสติเอาละว่าคนละครึ่งคนละห้าสิบห้าสิบถ้าสติมากความโกรธหายไปเลย ว่เลาะยอะความโกรธได้อ๋อไอ้แขกหน้าดำจงผ่านมาแล้วก็จงผ่านไปซะแขกหน้าดำถ้าเป็นความดีมาสติรู้ความดีก็ต้องรู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยเข้าอยู่ในความดีให้เราดีนักเข้าใหญ่เลยยึดมัน่นถือมัน่นไอ้แขกหน้าขาวอ๋อนี่มันก็ร้ายกบเหมือ น, นกันนะความมืดสีขาวต้องรู้ทันในความดีคนที่เป็นทุกข์มากไม่ใช่คนทาชั่วนะ ทุกมากเพราะคนทำดีแล้วก็ติดดีทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีทำไมไม่ได้ชื่อเสียงทำไมไม่ได้เงินได้ทองเพราะติดดีไม่ได้ทำดีเพื่อความดีแต่ทำดีเพื่อให้เราดีถ้ามีเราแล้วก็ทุกมันจะเกาะกินใจทันทีเลยสติต้องมาก่อนสติมาปับ๊บมันหานคนละครึ่งพราะเกิดปัญญารู้ทันปล่อยวางชั่วไม่ทาดีทาแต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่น อาการติดดีจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อกี้ถามอะไร <c oughs> ยาวไปเลยนะต้องมี <c oughs> สตินะถ้ามีสติแล้วทุกอย่างนี่มันจะจบถ้าเกิดเป็นยาจะปล่อยวางได้ยับยั้งชั่งใจจะต้องไม่เสียใจว่าไม่น่าอะไรไม่น่าเลยขอเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาเราทานข้าวอย่างนี้นะคะหนุ่มโนาล้ตัก ขึ้นมาคำเนี่ยแเราเคี้ยวถึงสี่ห้าสิบครั้งเนี่ยมันจะหลิดมากไปหรือเปล่าคะอ่าเราต้องแบ่งแยกนะเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเรากำหนดเคี้ยวจนละเอียดเลยค่ะมีประโยชน์สองอย่างง่ายๆการเคี้ยวหาละเอียดช่วยย่อยง่ายๆแล้วก็อร่อยนานนะแล้วปกติ <laughs> เป็นคนที่กินช้าอยู่แล้วอการเคี้ยวให้ละเอียด ทำให้อาหารย่อยง่ายแต่ถ้าเรามีสติตามรู้ไปเนี่ยทำให้สติมันเกิดบ่อยๆบ่อยๆก็กําหนดเคี้ยวหนึ่งหนอเคี้ยวสองหนอเคี้ยวสามหนอจนหมดนะคะแต่ฝาจะหมดจานก็รวมชั่วโมงไอเอาค่ะก็ไม่เป็นไรเราใหม่ๆก็ไปเขาไปหมดแล้วอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วต่อไปมันก็จะไวขึ้นเองแหละ ไอ้เรื่องตึงเนี่ยมันทํายากใช่ไหมแต่หย่อนเนี่ยมันง่ายมากไม่ต้องกลัวทําต่อไปแล้วต่อไปแลจะค่อยๆดีขึ้นไวขึ้นไวขึ้ น, นสถิติจะดีขึ้นเรื่อยๆ <laughs> ไม่ต้องกลัวยังสองวันแรกที่มานะคะออรู้สึกว่ามันตึงแล้วมันมวนในท้อง เ, ออเก่งอยู่ออวายอยู่นท้องนะคะมันอึดอัดมากเลยค่ะเข้าใจเข้าใจเออมาคืนก่อนพระอาจารย์บอกว่า มีใครเคยนับมั้งไมว่าบันไดมีกี่ขั้นใจก็ยังคิดว่าโอ้โหทำไมพระอาจารย์ถึงละเอียดจังเลยเนอะข <c oughs> นาดแค่เดินหนอนี่ก็ลำบากอยู่แล้วนะคะพอเราเดินมานี่เราก็ ล, ลองดู ว, ว่าฝาหนึ่งหนอใจ ส, สองหนอฝาสามหนอออถึงจะได้รู้ว่ามีเก้าขั้นนี่แหละ <c oughs> เขาเป็นแบบฝึก แบบฝึกเพื่อเรามีสติให้มีความรู้สึกตัวตเป็นแบบฝึกใจตอนแรกก็ยังฝืนทําไมพระอาจารย์ละเอียดจังเลยมันลําบากเหลือเกินนะเนาะอังนี้สินี่เวลาทําเนี่ยอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าไปเครียด <c oughs> ทําเล่นเล่นสบายสบายหนอก็หนอแบบสบายสบายแบบผ่อนคลายสิพระอาจารย์ไม่ตัดคะแนนหรอก <c oughs> ไม่บาปไม่บาปเนี่ยเป็นแบบฝึกเนี่ยบางคนเนี่ยต้องฝึกมากๆเห็นไหมเวลาที่เราเขียนหนังสือใหม่เนี่ย แล้วต้องมีเส้นไข่ปลาใช่ไหมค่อยๆเขียนนะาต้องมีแบบให้ฝึกจะได้มีมุมมีอะไรสวยไงแล้วต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้แบบสติมันเกิดขึ้นเองไม่ผิดใช่ไหมคไม่ผิดหรอกอาจารย์ไม่หักคะแนนไม่บาปด้วยปกติแล้วเนี่ยเราคนขายของกลงคืนนะคะตอนเช้าจะต้องนอนถึงบ่ายเย็นถึงออกไปขายของพอมาแล้วก็กคิดกังวลมากเลยค่ะว่าเราจะทําได้เนาะทําได้ไหมเนาะต้องอาศัยกาแฟ น, นะคะ แล้วทำอย่างนั้นเพื่ออะไรละ่ะก็มันนั่งหาเนียฮะเอาไอเขาหาเม้งหนอนงหนอนตลอดทั้งวันเลยน้ำตากไ็ไหลนันน่ะนี่นนละ่ะก็เรียกได้อารมณ์นั่นแหล ะ, ะดีแล้วนั่นละ่ะสภาวะท่างกลาลังเกิดขึ้นแต่ให้เรารู้ทันมันได้แต่ว่าเราก็หมดว่าวงงหนอมงหน อ, นนอนแต่ก็ไม่หายง่้งสักทีต้องไปกินกาแฟต่ออเนี่ยมันกลายเป็นกรรมฐานกาแฟไป อารหันแคปซูลแล้วไม่ต้องหาตัวช่วยแล้วก็เปลี่ยนยาบทเตแล้วลูกไปเดินไปล้างหน้าล้างตาอยาไปกลัวอย่าเป็นทุกข์กับมันแก้ไขด้วยสติปัญญาของเราอย่าไปเอาจริงเอาจังอย่าไปเพ่งอย่างเกินไปไม่ทําให้ทอ ม, มันปั่นป่วนดีแล้วรู้จักแก้ไขตัวเองนี่แหละไม่เป็นทุกข์นี่แหละจริงๆแล้วนะคะทางทางวิทยากรหรือคุณยายสิริคุณแม่กับแก้วนะคะก็จะบอกว่าเวลาเรานอนนะคะจะสังเกตง่ายก็คือ ถ้าจะดูว่าท้องพองหรือท้องยุบนะคะลูกโยคยีก็เอามือมาประสานที่เหนือเหนือสะดือหรือวางตรงสะดือะคะ่ะแล้วพอมันพองก็จะเห็นอาการพองยุกชัดเจนนะคะแล้วก็ที่ลูกโยคยีปฏิบัติก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์บอกะคะ่ะก็ทําถูกทางแล้วเกิดปัญญาเดีวมันก็จะสอนเราไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ท่านได้นับบันไดแต่ไม่ถึงกับว่าซ้ายหนึ่งหนอนแต่ก็ถือว่าตั้งใจดีนะคะก็ดีนะคะเดี๋ยวจะขอ ถามในส่วนของที่จะต้องเรียนถามอาจารย์กำพลพระอาจารย์ท่านก็สงสัยเหมือนกันเจ้าค่ะเพราะว่าลูกโยคยีหรือว่าชาวบ้านชอบถามนะคะทั้งๆที่รู้ว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตคือธรรมะแต่ทําไมนะคะบุคคลชอบพูดว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมะค่ะไม่มีเวลาปฏิบัตินันก็ถูกเพราะเราไม่ได้ให้เวลาเรามองความสําคัญของการปฏิบัติธรรมมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราเห็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่สาคัญมันก็จะไม่มีเวลากับสิ่งนั้นเราให้ความสำคัญสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เราก็จะมีเวลามากเห็นไหมสมมุตินะเราให้ความสำคัญของเงินเราก็จะมีเวลาหาเงินมากมีโอทีมากมายเพื่อการหาเงินเพราะเราให้ความสำคัญจะต้องมีเงินจนึงจะมีความสุขทาไมเราจึงไม่เปลี่ยนไปให้เวลาของการปฏิบัติธรรมบ้างให้ความสาคัญ โอ้ปฏิบัติธรรมนี่มันพ้นทุกได้มันแก้ปัญหาชีวิตได้ทําให้ชีวิตมีความสุขมากมีทุกน้อยถ้าเราให้ความสําคัญของการปฏิบัติธรรมมากๆนี่เราจะมีโอทกับการปฏิบัติธรรมนะขึ้นอยู่ว่าเราจะให้ความสําคัญสิ่งไหนมากสิ่งนั้นก็จะมีค่าตระหนักรามากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญสําคัญคือว่าเรารู้ไหมว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรบ้างอย่างน้อยได้ความพ้นทุกขได้รู้จักแก้ปัญหา ได้ช่วยเหลือคนอื่นคนเรามักจะอยากให้คนนู้นคนนี้มาปฏิบัติอยากให้คนที่เรารักมาปฏิบัติแต่เราลืมไปว่าเราเองต่างหากที่ต้องปฏิบัติเพราะเราให้ความสำคัญว่าอยากให้คนอื่นคนดีแต่ลืมตัวเราไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากตัวเราก่อนให้ตัวเราได้ผลแล้วค่อยบอกคนอื่นดูตัวอย่างคนที่ปฏิบัติทำและมีความทุกข์เนี่ยหาไม่ค่อยได้ส่วนมากจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยมีปัญหา แล้วเราช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยบางทีเราสงสารคนที่เรารักอยากจะช่วยเขาแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะเราไม่มีข้อมูลเรื่องธรรมะแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอ๋อช่วยคนอื่นได้มากมายเลยคนเราอยากจะช่วยทั้งนั้นแต่ช่วยไม่ได้ไม่รู้ช่วยอย่างไรเพราะเราไม่มีข้อมูลเราช่วยตัวเองให้รอดดีแล้วละ่ะแต่ก็ช่วยคนอื่นด้วยเนี่ยโดยการปฏิบัติธรรมดีทั้งเราดีทั้งคนอื่นทให้สิ่งไมล้อมดี เป็นการสืบทอดพุทธศาสนาโอ้มากมายประโยชน์การปฏิบัติมองประโยชน์ให้มากๆสิ่งนั้นก็จะมีค่าส่ำหรับเราเราก็จะวิ่งไปหาตัวนั้นทำไมเวลาเราปฏิบัติทรรเสร็จแล้วเราต้องอธิษฐานว่านิพพานและปัจโยโหตกเพราะเป็นการตั้งมั่นว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดตั้งนานบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสพาเราไปถึงนั้นได้นะตั้งมั่นสิ่งไหนบ่อยๆคืออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยทำให้จิตใ จ, ใจเราเนี่น้อมไปสู่ตัวนั้นได้ง่ายๆเคยไหมที่บ้านเราเนี่ย เก้าอี้ตัวเนี้ยมันวางตรงนี้ยมันเกะ ก, กะเลอะเกินเดินผ่านมากเกะ ก, กะเลอะเกินอีกไม่ช้าเก้าอี้นี้มันจะหายไปใช่ไหมเราก็ต้องเอามันออกไปอยู่ดีอะถ้าเราบอกโอ้ภาพนี้สวยภาพนี้สวยมอางบ่อยๆภาพนี้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยอีกนานเพราะเราให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นในทางบวกเราอยากให้สิ่งไหนที่มีค่าตับเราเนี่ยมองมองให้มากๆากเราก็จะทําในสิ่งนั้นมากมาก ต่อไปนะคะเป็นคำถามสุดทิิตของคนจีนนะคะเขาสงสัยว่าคนเล่นไพ่ตลอดเวลามีสมาธิหรือไม่เนี่ยลหละคือสมาธิแต่มิจฉาสมาธิสมาธิไปเพื่อความหลงสมาธิมีสองอย่างคือสัมมาสมาธิคือสมาธิที่เป็นไปเพื่อการทำให้เกิดปัญญาอีกสมาธิหนึ่งสมาธิทาให้เกิดความหลงอย่างเช่นเราเล่นไพ่เล็งปืนปกเบ็ด ตกเบ็ดนี่ดูที่ทุนทุนจมอะไรวัดมา น, นั้นอันนี้คือมิจฉาสมาธิใจเป็นสมาธิแบบหลงๆอย่างเงี้ยเวลาตายไปก็ก็หลงไปแต่สมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่จเจริญแล้วจิตสงบจิตเกิดปัญญาต่างกันนะทําอย่างไรจะอยู่กับความทุกข์ได้ทั้งทั้ ง, ท, งที่ความทุกข์มากระทบอารมณ์ตลอดเวลาค่ะก็อยู่แบบไม่ยึดมั่นถิ่มั่นแบบรู้เท่าทัน ทุก็ไม่เที่ยงทุกมันก็มีชั่วคราวเป็นแขกหน้าดําชั่วคราวเดี๋ยวผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปรู้เท่าทันมันแล้วก็ปล่อยวามันซะมันก็ไม่มีปัญหากับเราอยู่กับความทุกข์ได้อยู่กับคนที่เราเกลียดได้โดยที่เราไม่ต้องไปเกลียดเขาบางคนบอกว่าทําไมเธอถึงทําอย่างนั้นเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นเขาไม่น่าเป็นอย่างนี้เพราะเราต้องการจะไปเปลี่ยนเขาใช่ไหมทําไมไม่พลิกมุมมองใหม่อ๋อเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเอง แต่เราไม่ได้เป็นอย่างเขาก็แล้วกันเราอยู่ความทุกข์โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นเพียงแค่ผู้เห็นทุกข์เวทนาเกิดที่ใจจะกำหนดอย่างไรคะก็รู้เท่าทันอ๋อเวทนาที่ใจนั้นเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นใจไม่มีเวทนาหรอกเวทนาเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาข่าวหลังเห็นไหเวลาเรานั่งเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะสบายสบายเดี๋ยวร่างกายมันปวด แล้วใจมันก็ปวดด้วยความปวดมันมาที่หลังเพราะเราไปยึดติดว่ากายนี่เป็นเราความปวดมันมาที่หลังใจไม่ได้ปวดอยู่ก่อนสิ่งที่มาที่หลังมันย่อมไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวมันผ่านมาก็ผ่านไปให้มีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็แก้ไขร่างกายเปลี่ยนยาปวดซะพอกายหายปวดใจมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับเวทนานั้นทุกข์เมียไวรู้แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติ ทุกไม่ได้มีว่าให้เป็น